แต่ที่ทุกเป็นส่วนใหญ่คือทุกข์ใจและทุกข์ใจนี่ส่วนใหญ่ก็ทุกข์เพราะความคิดนะแม้ว่าการประสบกับสิ่งไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์อย่างที่เราเพิ่งสวดสัธยาย เช่นเจอกับคำตำหนิตีเตียนต่อว่าด่าทอแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปคิดถึงมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปอดีตก็ผ่านไปแล้วนะถ้าเราใจเราปล่อยให้มันผ่านเลยไปก็ไม่ทุกข์แต่ที่ทุกข์เพราะว่ายังคิดถึงมันความพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ก็จริง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 การเล่นงานจิตใจคิดฟุ้งซ่านไปยังไม่มีทิศทางเนี่ยสุดท้ายมันก็วกกลับมาทำํำลายจิตใจของเราเดี๋ยวเราก็ตามเนี่ยที่บอกว่าทุกข์พาะความคิดนี่มันยังไม่ถูกต้องทีเดียวนะต้องทุกข์เพราะว่าที่ถูกต้องเรียกว่าทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดนะสมมติเราเผลอคิดถึงอดีตไปเสร็จแล้วเรารู้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 เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดความคิดที่นำความทุกข์มาให้ถ้ากว่าเราเห็นมันน ะ, นะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ความโกรธความเบื่อความเซ็งความหงุดหงิดถ้าเราเห็นมันมันก็ทำอะไรไม่ได้ต่อไปนั้นจึงเรียกได้ว่าเนี่ย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 ที่ยกไปมาไม่ใช่มีแค่เท้าที่เดินไปมามันยังมีลมหายใจมันยังมีตาที่กระพริบมีคือน้ําลายแต่ให้กําหนดที่เป็นอย่างๆไปนะอย่าไปอยไ ป, อ ย, ไปอย่าไปกำหนดพร้อมๆกันทุกอย่างกําหนดในที่ที่แปลว่าใส่ใจไม่ได้แปลว่าเพ่งนะให้รู้กายก่อนรู้กายที่เคลื่อนไหวนะ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 ไม่ว่าอาวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเคยเดินขยับก็รู้แต่ว่าส่วนใหม่ๆมันจะรู้แต่แต่ส่วนที่มันขยับชัดเจนหรือหยับหยา บ, บก่อนเช่นมือที่เคลื่อนไปมาเท้าที่เดินแต่มันจะไม่ใช่เห็นชัดนะถ้าเห็นชัดว่ามือกําลังเคลื่อนเป็นสายนะเห็นรายละเอียดของเท้าที่กําลังยกจ้างเหยียบอันนี้แปลว่าเพ่งแล้วนะไม่ใช่นะเพราะเวลาเราเพ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นจุดๆเราจะไม่ได้รับรู้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 มันเหมือนกับเวลาเราสนเข็มเราสังเกตว่าเราสนเข็มเนี่ยเรามักจะกลั้นหายใจไปด้วยเพราะตอนนั้นเราเพ่งมากเราเพ่งไปที่าตาอุงเข็มมันพยายามที่จะสนสอดได้เข้าไปในช่องนั้นแล้วเรากลั้นลมหายใจเพ่งกับการกลั้นลมหายใจมันจะเกิดขึ้นไปด้วยกันเพราะนั่นคนที่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 ทำไปหยุดไปนะทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดนี่มันไม่ใช่ละทำสบายก็จริงสบายคือสบายที่สบายที่ใจใจไม่อยากใจวางความอยากลงใจไม่เพ่งแค่รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปทำอะไรกับความคิดรู้เฉยเฉยรู้ซื่อใจสบายสบายไม่คาดหวังไม่ไม่ไม่ถูกครอบงำด้วยความอยาก แต่ว่าทำอย่างต่อเนื่องนะทำอย่างที่หลวงพ่อเทว่าเนี่ยทำเล่นๆแต่ทำจริงๆหรือพูดอีกให้มันอีแบบกนะ็คือว่าทำเต็มที่ตยาซีเรียดนะทำเต็มที่ติยาซีเรียดนะที่ซีเรียตเพราะมันยากพ อ, อยากแล้วมันก็ซีเรียตขึ้นมาทันทีพลาดไม่ได้เผลอไม่ได้เผลอแล้วก็โทษตัวเองโมโหตัวเองบางคนความคิดฟุ้งซ่านมาก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 กดมาลงน้ำเนี่ยนะมันก็จมอยู่ในน้ำนะแต่เราปล่อยมือเมื่อไหร่มันก็เด้งกลับความคิดถ้าเราไปกดข่มมันไว้เนี่ยอาจจะข่มได้ชั่วคราวพอเราวางพอเราปล่อยมันก็เด้งกลับมันก็ผุดมันก็โผล่ไหม่แค่รู้ทันเฉยๆก็พอมีคนหนึ่งก็พูดดีนะว่าอะไรที่เธอกดข่มจะคงอยู่อะไรที่เธอเพียงแต่ตระหนักรู้จะหายไป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 สบายคือสบายที่ใจนะแต่ว่าอากับกิยุงานี้ก็ทําอย่างต่อเนื่องการเจริญสติมันเป็นการเอาสิ่งที่ดูมันตรงข้ามกันมาประสานกลมเกลืนเป็นหนึ่งเดียวเนะช่นทําเต็มที่เนี่ยหลายคนก็มักจะทําด้วยความซีเรียสนะถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่ทําเลยหรือว่าทําแบบจอยเยาะแย่แต่ว่าทําเต็มที่จะไม่ซีเรียสนี้ทําได้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 การจุลสตินี่มันอยู่ตรงกลางนะั้นระหว่างเพ่งกับเผลอก่อนมาปฏิบัตินี่เรามักจะเผลอฟุง้งอันนั้นเป็นสุดตรงทางหนึ่งแต่พอมาปฏิบัติมันก็จะเวี่ยงสวิงไปอีกทางหนึ่งคือไปเพ่งให้การที่จะอยู่ตรงกลางๆเางนี่ ย, ยากทางสายกลางมันยากเสมอให้ทางสุดตรงสองทางนี่ง่ายเช่นไม่ไม่รักไม่ชอบก็ชัง แต่ว่าที่เป็นอุเบกขากลางๆนี่ทำยากแต่ทำได้การเจริญสติอย่างที่เรากำลังทาอยู่นี่มันเป็นการพยายามวางเจตอยู่เป็นกลา ง, ลางนะระหว่างเผลอกับเพ่งนะเป็นการเจริญสติที่ไม่ไม่ไม่มีการบริกรรมนะไม่มีการเพ่งอะไรทั้งสิน้น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 แค่รู้สึกเนี่ยรู้สึกกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่มีบริกรรมพุโทโธไม่มีบริกรรมนับหนึ่งสองสามใหม่ใ ม, มันก็จะทำได้รู้สึกตัวไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ฟุ้งแล้วนะจมเข้าไปในความคิดตกหายก็ไปในอารมณ์แต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำบ่อยนะก็เหมือนคนที่เดินข้ามท้องร่องเก่งวปนประจำเนี่ยไม่มีราวเขาก็เดินข้ามได้สบาย นะพูปลี่ปฏิบใัใหม่ๆนพอเราไม่บริกรรมนะไม่เพ่งเนี่ยมันก็จะรู้ไปเดียเด๋ยวๆแล้วก็ฟุ้งแล้วรู้ไปเดียเด๋ยวๆก็ฟุ้งแล้วไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆนะใหม่ๆจะรู้สึกเหมือนเคว้งคว้างนะไม่มีที่เกาะที่ยึดแต่ทาไปทําไปจิตมันก็จะปรับตัวได้แล้วก็จะเข้าใจว่าไอ้รู้กายนี้เป็นอย่างไรนะแล้วพอเราพอเราพอเรารู้กายเนี่ได้ได้ได้ต่อนเนื่อง สติก็จะไวพอที่จะรู้ใจแล้วคือเห็นความคิดรู้ทันความคิดหนะรือว่ารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเรนะาเห็นแล้วก็วางไม่ต้องไปทำอะไรกับความคิดไม่ต้องไปกดข่มไม่ต้องไปไปผักใสมันทำอย่างนั้นเหนื่อยแค่รู้เฉยเฉยรู้ซื่อซืนะ่อแล้วมันก็หายไปเองเหมือนกับขโมยที่มันแอบเข้าบ้านพอมันเจอเจ้าของบ้า น, ม, นมันิมันมันถอยไปเองมันหนีไปเอง เจ้าของบ้านไม่ต้องเอาปืนไล่ไม่ต้องเอาไม้ไลฟ่ฟาดนะมันมันหลบมันอายไปเองความคิดฟุง้งซ่านความคิดหรืออารมณ์ต่างพอเราพอมีสติรู้ทันหรือว่าพอถูกต้องมองด้วยสติรู้ทันด้วยสติมันก็แผ่นไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ยอมแค่รู้เฉยเฉยจะเข้าไปทําโน่นทํำนี่กับความคิดกับอารมณ์เหนื่อยเหนื่อยเปล่าแล้วก็ อาจจะไม่ได้ผลด้วยนะรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเนะี่ยให้เริ่มต้นที่รู้กายนะรู้สึกนะเวลากายมันเคลื่อนไหวแล้วเวลาใจมันเพลอไปนะไอความรู้สึกที่กายนี่แหละมันจะไปเรียกจิตกลับมาเหมือนก็รู้กันนะเราสังเกตได้แล้วคงคงประสบได้ตัวเองนะเวลาใจเผลอคิดนึกไป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 หมู่บ้านจัดสรรต่างๆนี่ก็เพราะไปล่ามันเอาไว้ไปขังมันเอาไว้ธรรมชาติมันก็ดูอยู่แล้วยิ่งไปขังไปล่ามานันตั้งแต่เล็กมันก็ยิ่งโมโหยิ่งดุจิตเราก็เหมือนกันถ้าไปขังไปล่ามันเอาไว้มันก็จ ะ, ม, จะมันก็จะพยศนะให้ลูกหมาเนี่ยเราถ้าเราไปขังไปล่ามันาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นหมาที่ดุอีกทางนีงคือว่าให้มันเป็นอิสระนะ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 เราก็เรียกอีกมันก็กลับมาใหม่ๆเนี่ยต้องเรียกหลายครั้งเรียกนานกว่ามันจะกลับมาแต่ว่าพอเราทํำบ่อยๆทำบ่อยๆเรียกไม่กี่ครั้งก็กลับมาละก็สมมติคือว่าพอมันออกปุ๊บเราต้องเรียกปรับเลยไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันไปไกลแล้วค่อยไปเรียกนี่มันมันมันไม่ค่อยรู้นี่พอเราเรียกบ่อยๆเรียกบ่อยๆเนี่ยทีหลังนั่นมันมามันรู้ตัวเองนะ พอมันแค่ก้าวเท้าไปจากบ้านไม่กี่ก้าวเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าที่ที่ของมันเนี่ยก็คือบ้านไม่ใช่ออกไปข้างนอกนะถึงตอนนั้นก็จะอยู่เป็นที่เป็นทางอยู่อยู่กับบ้านไม่ออกไปไหนนะไม่เหมือนกับการใช้วิธีล่ามานาันเอาไว้ล่ามันเอาไว้นี่เชื่อขาดเมื่อไหร่หรือว่าปล่อยเผลอปล่อยมาเมื่อไหร่มันก็วิ่งออกไปแล้วก็เรียกกลับมาได้ยากอาการจิตระสตินี่นะเราก็ใช้วิธีว่าให้อิสระกับจิต เราก็บอกจิตนะว่าบอกใจนะว่าให้ให้รู้สึกนะให้อยู่กับกายนะแต่มันไม่อยู่อ่ะมันไปเราก็เรียกมันเรียกด้วยอะไรด้วยด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยด้วยเรียกด้วยความรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวเท้าเดินไปมาเนี่ยอันนี้คือความรู้สึกที่ความรู้สึกของกายที่จะเรียกจิตมันกลับมาซึ่งแน่นอนหมายนี่มันกว่าจะกลับมาก็คิดไปแล้วสิบเรื่องแต่ทํำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะ กลับมาเร็วขึ้นคิดเผลอไปห้าเรื่องก็กลับมาและต่อไปคิดเผลอไปแค่เรื่องเดียวก็กลับมาละต่อไปนี่คิดไม่จบเรื่องเลยก็กลับมาและเพราะมันระลึกได้เพราะมันรู้ตัวนะการที่เรายกมือเนี่ยมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นในเวลายกเวลาเดินอันนั้นแหละคือคล้ายๆกับเสียงที่จะเรียกใจที่เผลอให้ให้รู้สึกให้รู้ตัวแล้วกลับมา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 อาศัยรูปแบบ น, นี่เปรียบเมื่อการเติมน้ำลงในลงในถังลงในโอ่งถึงแม้ว่าจะเติมเต็มจนเกือบเต็มแต่ถ้าเกิดโอ่งเนี่ยหรือถังนี่มันรั่วนะมันก็ไม่เต็มสักทีก็เหมือนกับนักปฏิบัติที่เวลาเดินจงกรเวลาสร้างจังหวะในเวลาเนี่ยก็ทำทาได้ดีแต่พอพอหมดเวลากลับกุตินะ ก็ปล่อยใจลอยตามสบายอันนี้ก็เปิดเหมือนกับว่าโอ่งที่มันรั่วเติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มสักทีในการปฏิบัตินอกรูปแบบที่ไม่อาศารูปแบบนี้ก็เหมือนการที่อุดรูรั่วไว้ไม่ให้มันรั่วเยอะนะนั <animals>. ้นบางคนเนี่ยถึงแม้ปฏิบัติในรูปแบบได้สติไม่มากนะพอะฟุ้งแต่ว่าเวลาไปทําน่นทํานี้เวลาเลิกปฏิบัติ ในรูปแบบก็ใช้ชีวิตอย่างดาเนินอย่างมีสติก็เหมือนกับว่าสติมันก็รั่วไหลน้อยนะมันต้องทาทั้งสองอย่างนะเติมสติลงไปให้มากแล้วก็อุดรูรันะ่วเพราะนั้นการปฏิบัติในรูปแบบก็จำเป็นและการพยายามมีสติกับการใช้ชีวิตประจำวันอาบนา้าถูฟันล้างหน้า กวาดบ้า น, นทำครัวซักเสื้อก็มีสติมันก็จะลดการล้วนไหลของสติได้ก็ทำให้สติมันเต็มจิตเต็มใ จ, ใจเกิดจิตที่ตื่นรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมร0อยเเซตจิตเต็มร้อยกับการทำสิ่งต่างๆเกิดความแช่มชื่อเบิกบานรู้สึกโปร่งเบาอันนี้มันทำได้นะอัลลชานี่ก็เพื่อเท่านี้กรบพร้